วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบเจ็ดรุษภาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบหกเป็นวันพระวันธรรมรสวรรคะวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกำหนดให้ชาวพุทธเรา ได้ปล่อยวางภารกิจการงานทางโลกภารกิจทางการทำ ม, มาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเพื่อที่จะได้เอาเวลามาศึกษามาปฏิบัติพระธรรมคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของจิตใจที่มีความสำคัญ ยิ่งกว่าร่างกายและสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะจิตใจเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีวันตายจิตใจนี้จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายหรืออยู่อย่างทุกข์อยู่อย่างยากลําบากก็ขึ้นอยู่กับว่าใจนั้นมีทำทำสอนของพระพุทธเจ้า เป็นเครื่องกำกับดูแลหรือไม่ถ้ามีธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้ากำกับดูแลแล้วใจจะอยู่อย่างร่มเย็นป็นสุขทั้งขณะที่มีร่างกายและหลังจากที่ไม่มีร่างกายใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจอยู่ต่อไป และสิ่งที่จะทำให้ใจอยู่อย่างสุขอย่างสบายปราศจากความทุกข์ยากลาบากต่างๆก็คือธรรมะคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญต่อการศึกษาต่อการฟังเทศฟังธรรมเป็นอย่างยิ่งเพราะถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฟังเทศฟังธรรม ก็จะไม่รู้วิธีดูแลรักษาใจให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายปราจากปราศจากความทุกข์ยากลาบากต่างๆวันพระจึงเป็นวันที่สำคัญสำหรับชาวพุทธเราที่เราไม่ควรที่จะมองข้ามไปอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราควรที่จะมีวันพระกันหนึ่งวันเพื่อที่จะได้อย่างน้อยได้ฟังเทศฟังธรรม การซักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้เอาธรรมะนี้มากํากับดูแลรักษาใจของเรา <c oughs> ให้อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขปราศจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆ <c oughs> นี่คือที่มาของวันพระวันธรรมสวนะวันฟังธรรม <c oughs> การฟังธรรมที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง ก็มีมีวิธีการฟังที่เรียกว่าต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบถ้ากายวาจาใจไม่สงบการฟังธรรมนี้จะไม่เกิดผลขึ้นมาผลที่เกิดจากการฟังธรรมก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่ง ก็คือจะได้ยินได้ฟังทำที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนข้อที่สองถ้าทำที่เราได้เคยได้ยินได้ฟังแล้วแล้วมาได้ยินได้ฟังอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้ความเข้าใจที่ดีขึ้นตามลำดับ 3. จะกาจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจได้ 4. จะทำให้ เกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฐิขึ้นมาคือความเห็นที่ถูกต้องและห้าจะทำให้จิตใจสงบผ่องใสมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับหากฟังทำด้วยวิธีการที่ถูกต้องคือต้องฟังด้วยกายวาจาและใจที่สงบ คำ ว, ว่าสงบกายก็คือให้เรานั่งอยู่เฉยๆไม่ให้ทำอะไรต่างๆไม่ให้ทำนู่นทํานี่แล้วก็ฟังธรรมควบคู่ไปด้วยเพราะว่าจะไม่ได้ฟังอย่างเต็มที่นั่นเองเพราะใจจะต้องแบ่งไปให้กับการทำงานอย่างอื่นและให้กับการฟังธรรม มันก็เลยจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่วาจาก็ไม่ต้องวาจาก็ต้องสงบคือไม่คุยกันเวลาฟังเทศฟังธรรมนี้ไม่ควรคุยกันควรนั่งควรนั่งเฉยๆนั่งเงียบๆเพื่อที่จะได้ไม่รบกวนผู้ที่เขานั่งอยู่ข้างๆและไม่ไม่ทำให้เสียสมาธิในการฟังธรรม ถ้าคุยกันไปฟังไปใจก็จะไม่ไม่รู้เรื่องเพราะมัวแต่ไปให้ความสาคัญกับการคุยกันเสียงธรรมที่เข้ามาในใจก็จะไม่เข้าไปในใจจะเข้ามาในหูเข้ามาในหูซ้ายแล้วก็ออกทางหูขวาไปฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าฟังอะไรไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ ประโยชน์จากการฟังธรรมเลยถ้าฟังแบบวาจาที่ไม่สงบและความสงบทางใจก็ต้องก็ต้องทำให้ใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆในขณะที่ฟังธรรมให้ใจจดจ่ออยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่ใจให้รับรู้เสียงธรรมตลอดเวลา อย่าให้ใจไหลไปตามกระแสของความนึกคิดต่างๆให้เกาะติดอยู่กับเสียงธรรมที่เข้ามาที่ใจเพื่อเพื่อที่จะได้ยินได้ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องและเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมอย่างต่อเนื่องก็จะได้รู้ว่าธรรมที่ฟังนี้ได้เคยได้ยินได้ฟังมาหรือยัง ถ้าได้ยินได้ฟังแล้วก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นไปตามลำดับแล้วก็ถ้ามีความสงสัยในเรื่องบางเรื่องก็อาจจะทำให้หายสงสัยได้แล้วก็จะทำให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดรู้ว่าสิ่งที่เป็นคุณเป็นโทษเป็นอย่างไร เรียกว่าสมาธิติคือปัญญาและใจก็จะสงบนิ่งเย็นสบายมีความสุขนี่คือประโยชน์ที่จะได้รับจากการฟังเทศน์ฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบกายสงบวาจาสงบนี้ก็คือสีแล้วก็ใจที่สงบก็เรียกว่าสมาธิ การที่เราจะฟังทมได้เราต้องมีศีลมีสมาธิเป็นเครื่องรองรับธรรมอีกทีหนึ่งธรรมนี้ถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับอาหารเวลาที่เราจะรับทานอาหารเราต้องมีภาชนะเราต้องมีจานมีช้อนไว้สำหรับใส่อาหารถ้าเราไม่มีจานไม่มีช้อนเราจะไม่สามารถ ตากอาหารมารับประทานได้นี่คือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีในขณะที่เราฟังธรรมกันคือศีลและสมาธิศีลก็คือความสงบกายสงบใจอย่างเช่นตอนนี้สงบใจกับสงบวาจาอย่างเช่นตอนนี้ท่านก็ไม่ได้ ร่างกายก็ไม่ได้ขยับเขยื่อนไปทำอะไรไม่ได้ไปทำบาปไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปรักทรัพย์ไม่ได้ไปประพฤติผิดประเพณีก็เรียกว่ามี <c oughs> กายที่สงบวาจาก็ไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้พูดปดเรียกว่ามีศีลสงบกายกับสงบวาจานี้เป็นศีลเป็นภาชนะรองรับเป็นเหมือนจาน ที่สำหรับจะเอาอาหารมาใส่จานแล้วก็มีช้อนไว้สำหรับตักอาหารที่ใส่อยู่ในจานนี้เข้าไปในปากช้อนนี้ก็เป็นเหมือนความสงบใจคือสมาธินี่เองถ้าใจเราไม่สงบใจเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่เราฟังธรรมควบคู่ไปด้วยเราจะฟังไม่รู้เรื่อง แต่ถ้าเราไม่ได้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่เราฟังธรรมอยู่ใจเราก็จะได้ยินเสียงธรรมและสัมผัสกับธรรมได้อย่างต่อเนื่อง mm. ก็จะทำให้เราได้รับประโยชน์ mm. ได้รู้ได้รู้ว่าเรากำลังฟังธรรมอะไรอยู่เคยฟังหรือยังถ้าฟังแล้วเมื่อก่อนฟังครั้งแรกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ พอครั้งที่สองมาฟังอีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นและถ้ามีความสงสัยในเรื่องอันใดความสงสัยนั้นก็อาจจะหายไปได้และความสงบของกายวาจาและใจนี้ก็จะทำให้ใจมีความสุขนี่คือวิธีการฟังธรรมที่ถูกต้องที่จะได้รับประโยชน์ จากการฟังธรรมเราพุทธเราควรที่จะยึดแนวทางนี้ในการเอามาใช้กับการฟังเทศฟังธรรมแต่ก็ไม่ได้ห้ามเพราะบางท่านอาจจะมีภารกิจมีธุระมีการกระทําอะไรต่างๆแต่ก็ยังสามารถฟังอะไรได้อยู่บางท่านก็เบื่อกับการฟังเพลงบ้าง เบื่กับการฟังเรื่องการบ้านการเมืองบ้างก็เปิดฟังทำไปในขณะทำอะไรไปด้วยเช่นทางานไปอาจจะเป็นแม่บ้านล้างถ้วยล้างชามหรือทำความสะอาดบ้านหรืออะไรก็เปิดธรรมะฟังไปแทนที่จะฟังเพลงหรือฟังเรื่องการบ้านการเมืองอันนี้ก็ไม่ห้าม ฟังดีฟังฟังอย่างนี้ก็ดีดีกว่าไปฟังเรื่องไร้สาระเรื่องที่ทำให้ใจเราเครียดใจเราทุกไปเปล่ า, เ, ลาเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ประโยชน์เต็มร้อยเท่านั้นเองในขณะที่เราฟังธรรมและทำอะไรควบคู่ไปด้วยแต่ก็ไม่ห้ามเพียงแต่พูดให้ฟังตามหลักการว่าถ้าอยากจะฟังธรรมให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มร้อย วิธีฟังที่ดีที่สุดก็ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบแต่ถ้ายังไม่สามารถที่จะนั่งอยู่เฉยๆได้เพราะมีงานต้องทําแต่ก็อยากจะใช้ประโยชน์จากการทํางานควบคู่ไปกับการฟังธรรมก็สามารถทําได้ไม่ได้ห้ามขอให้ทําความเข้าใจไว้เดี๋ยวจะเข้าใจว่าจะ ถ้าไม่ให้ฟังธรรมในขณะที่ทำอะไรบางท่านขับรถไปก็เปิดธรรมะฟังไปแทนที่จะฟังเพลงหรือฟังเรื่องราวอะไรต่างๆอันนี้ก็ทำได้แต่ต้องระมัดระวังเวลาขับรถนี้ควรจะมีสติอยู่กับการขับรถเป็นหลักควรจะเฝ้าดูถนนเฝ้าดูการขับรถของเราเพราะว่าถ้าเราเผลอสติ เราเกิดมีมีเหตุกระทันหันขึ้นมาเราอาจจะแก้ไขไม่ทันท่วงทีอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็ได้ดังนั้นก็ต้องรู้จักว่าเราต้องมีสติอยู่ที่ไหนเป็นหลักขับรถนี้เราก็ต้องมีสติอยู่การขับรถส่วนการฟังธรรมเราก็ฟังไปถ้าเราสามารถฟังได้และยังมีสติ อยู่กับการขับรถได้แต่ถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องมีสติอยู่กับการขับรถให้มากก็อาจจะยับยั้งการฟังธรรมไว้ก่อนก็ได้เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักก่อนเรื่องของการฟังธรรมสิ่งที่เราจะได้ยินก็คือเรื่องของธรรมะเนี่ยเรื่องของศาสน า, ศาเรื่องของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ ที่เป็นองค์ประกอบที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเราฟังธรรมธรรมนี้ก็มีหลายหลายแบบหลายรูปหลายเรื่องหลายรราวเรื่องราวของพระศาสนาก็เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ใจถ้าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เรื่องความเป็นมาของพระพุทธศาสนาและไม่ได้เรียนรู้เรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับจาก าศาสนาเราก็อาจจะไม่รู้ถึงคุณค่าอันวิเศษอันมหัศจรรย์ของาศาสนาก็ได้แต่ถ้าเราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้ว่าพระพุทธศาสนานี้สามารถทําอะไรให้กับเราได้เราก็จะได้รู้ว่าพระพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง ยิ่งกว่าสิ่งมหัศจรรย์ใจของที่โลกเขาเขากำหนดกันขึ้นมาเช่นกำแพงเมืองจีนหรือปิรามิดในประเทศอียิปต์เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ในเรื่องของรู ป, ปรธรรมก็คือในรูปลักษณะเป็นอาคารที่สร้างได้ขึ้นมาอย่างยากลำบากต้องใช้คนมากและต้องใช้เวลามาก กว่าจะสามารถสร้างเมืองจินกำแพงเมืองจีนขึ้นมาได้หรือสร้างพีระมิดในอียิปต์ขึ้นมาได้แต่ความอัศจรรย์ของสิ่งเหล่านี้นั้ น, นมันไม่ได้มีคุณมีประโยชน์อะไรกับใจของผู้ที่ได้ไปได้รู้ได้เห็นก็เพียงแต่ได้ความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่ยากต่อการสร้างมันขึ้นมาเท่านั้นเอง แต่มันไม่ได้มีคุณมีประโยชน์อะไรให้กับจิตใจของผู้ที่ได้ไปรู้ไปเห็นไม่เหมือนกับการที่ได้มารู้มาเห็นเรื่องราวของพระพุทธศาสนาและได้รับผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอันนี้จะเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ต่อผู้ที่ได้สัมผัสรับรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาเพราะ จะได้รับคุณได้รับประโยชน์จากการที่ได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาก็คือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางด้านจิตใจและได้พบกับความสุขทางด้านจิตใจที่ถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากพระพุทธศาสนา และจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามคาสั่งคาสอนของพระศาสนาเราเราจะได้รู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณค่าที่มาสัศจรร ย, ยิ่งกว่าพระพุทธศาสนาเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้ใจของเรานี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมอบความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่เป็นความสุขที่ถาวรให้กับใจของเราได้นอกจากการศึกษาและการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า <Yes. S 1> นี้นั่นเอง <Yes. S 1> นี่แหละคือความมหัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ที่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้สามารถที่จะมาเปรียบเทียบได้เลยว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้จิตใจของเรานี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ได้พบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เช่นลาบยศสรรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ ให้เราได้ก็เพียงแต่ความสุขชั่วคราวที่ได้มาแล้วก็จะจางหายไปเหมือนกับควันไฟจะช่วยดับความทุกข์ก็ดับได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวแต่ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ให้หายไปหมดได้อย่างถาวรไม่ว่าจะเป็นเงินทองเป็นยศเป็นตำแหน่งเป็นรางวีรางวัลอะไรต่าง เป็นความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสนี้บางทีก็เอามาใช้ดับความทุกข์ใจได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ดับอย่างถาวรไม่ได้ความทุกข์ใจไม่ไม่หมดไปจากการที่เราได้รับความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสหรือจากอะไรก็ตามที่มีอยู่ในโลกนี้มันให้ความสุขหรือดับความทุกข์ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นหลังจาก ที่ได้สัมผัสได้เสพแล้วมันก็จะหายไปแล้วความทุกข์ที่เคยมีอยู่มันก็จะกลับมาอยู่ต่อไปความสุขที่เคยได้ก็หายไปเราจึงต้องดิ้นรนคอยหาความสุขกันอยู่เรื่อยๆคอยดิ้นรนดับความทุกข์ต่างๆอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้ลาบยศเสริญใช้ความสุขจาก รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะมาดับความทุกข์มาสร้างความสุขให้กับใจเราก็จะต้องทำไปอยู่เรื่อยไปจนถึงวันตายทำไปจนกว่าเราจะหมดความสามารถที่จะทำได้เช่นเวลาที่ร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือร่างกายเราจะตายตอนนั้นเราจะไม่สามารถที่จะ ดับความทุกข์ต่างๆได้เลยไม่สามารถหาความสุขต่างๆมาให้กับใจได้เลยเพราะร่างกายไม่อยู่ในสภาพที่จะสามารถทำหน้าที่ให้กับเราได้แต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนี้เราสามารถกําจัดความทุกข์ให้หมดสิ้นไปจากใจได้อย่างถาวรและสร้างความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุด ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศ ส, สรรเสริญจากลูกเสียงกลิ่นรสนี้ให้อยู่คู่กับใจเราไปได้อย่างตลอดไม่มีวันสิ้นสุดไม่ว่าเวลาที่ร่างกายเราจะแก่จะเจ็บหรือจะตายก็ตามความสุขือที่ได้จากการปฏิบัติธรรมหรือความทุกข์ที่ได้กาจัดจากการปฏิบัติธรรมนี้ จะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจเราความทุกข์จะไม่มีในใจเราจะมีแต่ความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมถึงแม้ว่าร่างกายจะเจ็บปวดด้วยความด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือถึงแม้ว่าร่างกายจะเจ็บจากความความแก่ความชราหรือความเจ็บที่เกิดจากการที่ความตาย ความเจ็บเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะมาลบล้างความสุขที่ได้จากการศึกษาและการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าและความทุกข์เหล่าที่เกิดขึ้นกับกับร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้นี่แหละคือความอาศจ ร, รของพระพุทธศาสนา ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะทำได้เหมือนกับพระพุทธศาสนาและสิ่งที่จะทำให้พระพุทธศาสนานี้เป็นเป็นพระพุทธศาสนาที่จะทำหน้าที่กำจัดความทุกข์ใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปได้และสร้างความสุขที่ถาวรให้กับใจของเราได้นี้ก็อยู่ที่ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้นั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้ก็เรียกว่าไม่มีพระพุทธศาสนาก็ว่าได้ mm hmm. เพราะถ้าศาสนาพระพุทธศาสนาที่ปราศาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่สามารถที่จะทำหน้าที่สั่งสอนวิธีการปฏิบัติเพื่อกาจัดความทุกข์เพื่อสร้างความสุขที่ถาวรได้ mm hmm. จะศึกษาจะกำจัดได้ก็ต้องมีผู้ผู้สอนและผู้สอนแล้วเมื่อได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากผู้สอนแล้วถึงจะสามารถนำมาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเมื่อมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วผลก็คือการสิ้นสุดของความทุกข์และความการปรากฏขึ้นของความสุข ที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดก็จะเป็นผลที่ปรากฏขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่สำคัญของพระพุทธศาสนาสิ่งที่ทำให้พระพุทธศาสนานี้อยู่มาในอยู่มากับโลกนี้ได้ถึง 2,500 กว่าปีแล้ว <c oughs> ก็เพราะว่าการปรากฏและการตั้งอยู่ของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสั่งคำสอน และของพระ อ, อริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่จะมาทําหน้าที่สืบทอดจากพระพุทธเจ้าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตายจากโลกนี้ไปแล้ว <Yeah. S 2> สิ่งที่จะทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ก็มีพระรัตนาตายอีกสององค์ก็คือพระธรรมมรัตนาและพระสังขารัตนา <Yeah. S 2> ก็คือพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า พระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติจนได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆได้แล้วจะเป็นผู้ที่จะมาสืบทอดหน้าที่ของพระพุทธเจ้าทำหน้าที่เอาธรรมะอันเลิศอันประเสริฐที่จะมาดับความทุกข์ทางใจและสร้างความสุขที่ถาวรทางใจให้กับผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อ มิผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติธรรมได้รับประโยชน์ตามลำดับต่อไปดังนั้นสิ่งที่ทำให้ศาสนาเรานี้อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ก็อยู่ที่ชาวพุทธเหล่านี้เองที่จะสืบทอดคำสอนอันประเสริฐ ด, ด้วยการศึกษาคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือคำสอน ของพระอริยสงสาวกเมื่อได้ศึกษาแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติด้วยความด้วยวิธีที่ถูกต้องที่เรียกว่าสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผลก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาความสุขในระดับต่างๆก็จะปรากฏตามขึ้นมาพร้อมๆกันไป อยู่ที่พุทธศาสนิกช น, mm. นการที่ศาสนาพุทธเหล่านี้อยู่มาได้ถึงขนาดนี้ mm. ก็เพราะว่าเกิดจากศรัทธาความเชื่อของพุทธศาสนกชนเ mm. ชื่อในพระพุทธเจ้าเ mm. ชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า mm. ว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ทรงได้รู้ธรรมอันเลิศอันประเสริฐทำที่จะทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติ ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่ถาวรแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงนำทำอันประเสริฐนี้ที่ได้ทรงค้นพบจากการปฏิบัติเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกให้ได้ยินได้ฟังให้ผู้ที่สนใจที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ผู้ที่ต้องการพบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวร ได้นํำมาไปศึกษาได้นํำมาไปปฏิบัติพอได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็จะได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆบรรลุเป็นพระอริยสงฆ์สาวกขั้นต่างๆขึ้นมาเมื่อได้บรรลุแล้วก็จะเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเป็นผู้ที่รู้ธรรมเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็จะเป็นผู้ที่จะสามารถทําหน้าที่เผยแผ่คําสั่งคําสอน คือพระธรรมมันประเสริฐของพระพุทธเจ้าต่อจากพระพุทธเจ้าได้ผู้ที่มาศึกษาจากาพระอริยสงสาวกหรือจากพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้มีการจดจําและบันทึกเอาไว้ในพระธพัทคัมภีร์ที่มีชื่อว่าพระไตรปิฎกอันนี้ก็จะเป็นแหล่งของความรู้ของพระพุทธศาสนา ที่จะทำให้ผู้ที่สนใจอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์และได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติและได้บรรลุผลตามลำดับต่อไปนี่คือสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องศึกษาต้องทำความรู้จักต้องรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ถ้าขาดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปแล้วศาสนาก็จะไม่เหมือนกับคนคนที่ไม่มีหัวใจคนที่ไม่มีหัวใจก็แสดงว่าเป็นคนตายไม่สามารถทำคุณประโยชน์อะไรได้อีกต่อไป mm hmm. เพราะฉะนั้นขอให้เราไปรู้ว่าศาสนาของเรานี้หัวใจที่จะทำให้ศาสนาของเรานี้อยู่ยั่งยืน ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พวกถาวรลวัตถุต่างๆหรือแม้แต่พระพุทธรูปที่เราสร้างกันขึ้นมานี้ก็ไม่ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเพราะถาวรลวัตถุและพระพุทธรูปต่างๆนี้ไม่สามารถสอนเราได้ไม่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจที่จะให้เรานำเอาไปปฏิบัติ เพื่อกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้ต่อให้สร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างอะไรที่สวยงามขนาดไหนก็ต่างแต่ถาวรและวัตถุเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะสอนวิธีการดับความทุกข์ให้กับเราได้ไม่สามารถสอนวิธีสร้างความสุขที่เลิศที่ประเสริฐที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงให้กับเราได้ เพราะฉะนั้นชาวพุทธเราต้องอย่าหลงประเด็นถ้าเราอยากจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้พระพุทธศาสนานี้มีอายุยืนยาวนานอยู่คู่กับโลกนี้ไปนานๆซึ่งได้อยู่มาแล้วถึง 2,500 กว่าปีและจะสามารถอยู่ต่อไปได้จนครบ 5,000 ปีตามการพยากรณ์ของพระพุทธเจ้า ที่ได้ทรงพยากรณ์ไว้ว่าพระพุทธศาสนาของพระองค์นี้จะมีอายุอยู่ได้ประมาณห้าพันปีด้วยกันและการจะอยู่ได้นี้ไม่ได้อยู่ได้ด้วยการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างถาวรและวัถตถุต่างๆแต่จะอยู่ได้ก็คืออยู่ได้ด้วยการสร้างพระอริยบุคคลต้องสร้างพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอรหรันต ถึงจะสามารถทำให้ศาสนาอยู่ต่อไปได้เพราะถ้ายังมีพระ อ, อริยสงสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าอยู่ก็จะมีคนที่จะมาคอยสอนธรรมะอันเลิศอนอเบรเสริญที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเอามาขยายความเอามาทเอามาอธิบายรายละเอยียดต่างๆให้กับผู้ที่สนใจ ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ศึกษาและได้นําเอาไปปฏิบัติอย่างถูกต้องได้ถ้าขาดพระฤาษิยสงสาวกแล้วจะไม่มีใครจะสามารถเอาธรรมะที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้มาอธิบายมาขยายความมาทําความสร้างความเข้าใจให้กับผู้ศึกษาและผู้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเมื่อเอาไปศึกถ้าเอาไปศึกถ้าเอาไปปฏิบัติก็จะไม่สามารถบรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าไม่มีพระอริยสงสาวกเป็นผู้ที่จะมาคอยสั่งคอยสอนคอยอธิบายคอยคอยกำจัดความสงสัยต่างๆดังนั้นหัวใจของการที่เราจะรักษาพระพุทธศาสนา ให้อยู่คู่กับโลกนี้ไปนานๆทำคุณทำประโยชน์ให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ยังตกอยู่ในกองทุกข์ต่างๆให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้นีน้ต้องเกิดจากการที่เราต้องมาสร้างพระกันเพื่อสร้างพระอริยบุคคลไม่ใช่สร้างพระพุทธรูปอย่างที่เราทำกันพระพุทธรูปไม่สามารถสอนธรรมะไม่สามารถอธิบายธรรมะ ไม่สามารถตอบคำถามต่างๆที่เรามีที่เกิดจากการปฏิบัติของเราได้แต่ถ้ามีพระอริยสงสาวุกท่านจะสามารถตอบคำถามต่างๆที่เราอยากจะรู้ได้และสามารถสอนให้เราบอกชี้ทางที่ถูกให้เราเดินไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องไม่หลงทางและไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระพุทธเจ้า และพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ไปถึงกันต้องมีพระอริยบุคคลเราต้องมาสร้างพระอริยบุคคลกันไม่ใช่มาคอยสร้างแต่พระพุทธรูปสร้างแต่โบสถ์สร้างแต่เจดีย์ <S 2> <S 2> <S 2> ของเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นของที่น่ากราบไหว้บูชาสักการะแต่คุณประโยชน์ของทาวเวรวัตถุเหล่านี้ไม่สามารถที่จะ ทำหน้าที่แทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ไม่ใช่เป็นตัวแทนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โบสถ์หรือเจดีย์วิหารหรือพระพุทธรูปปลางต่างๆไม่สามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าแทนพระธรรมคำสั่งคำสอนแทนพระอริยบุคคลได้ถ้าเรามีแต่ทาวลลวัตุเราจะไม่สามารถที่จะใช้ฐาวลรวัตุเหล่านี้เป็นที่พึ่งทางใจได้ ไม่สามารถนำมาดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราได้ไม่สามารถสอนวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขทางใจได้ผู้ที่จะมาสอนได้ก็คือพระอริยบุคคลแในการที่จะสร้างพระอริยบุคคล น, นี้พระพุทธเจ้าก็ได้ท่งสอนมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนามาเลยก็ว่าได้ พระพุทธเจ้านี้แหละเป็นผู้ที่สร้างพระอริยบุคคลขึ้นมาได้มากที่สุดตั้งแต่วันแรกที่พระ อ, องทรงประกาศพระศาสนาพระองค์ก็เริ่มสร้างพระอริยบุคคลทันทีเลยการแสดงธรรมครั้งแรกแสดงพระธรรมจากกับปวัตตนสูตรหลังจากที่แสดงจบลงหนึ่งในผู้ฟังคือพระปัญจวคีคือพระ อ, อ, อ, อัญญาณโกทัญญานี่ก็รรลุขถามครั้งแรก มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันขึ้นมาด้วยการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นกฎของตายลักเห็นกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาในขั้นในนต้นก็คือในขั้นของร่างกาย หลังจากที่ทรงแสดงธรรมอีกต่อไปอไม่กี่ครั้งพระปัญจวัคคีย์ทั้งห้าองค์ก็บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาทันทีเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้มัวมาสนใจให้กับการสร้างวัดสร้างถาวรวัตถุเลยพระพุทธเจ้าเองไม่เคยสร้างวัดสร้างถาวรวัตถุมีแต่ศรัทธาญาติโยมที่มีกำลังทรัพย์เช่นมหาเศรษฐีหรือพระราชามหากรย์นี้ จะเป็นผู้คอยสร้างวัดถวายให้กับพระพุทธเจ้าเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปประทรับตามสถานที่ต่างๆเพื่อไปสร้างพระอริยบุคคลก็ ต, ต้องมีที่อยู่อาศัยเป็นธรรมดาเราพุทธศาสนิกชนที่มีฐานะก็มาสร้างวัดให้เป็นที่ประทรับของพระพุทธเจ้าเพื่อที่พระพุทธเจ้าจะได้สั่งสอน น่าสร้างพระอาริยบุคคลขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเอง <uge ot> <S <S นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงทําำพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวไม่มีไม่มีบันทึกไว้ในในประวัติว่าพระพุทธเจ้าได้สร้างวัดนั้นสร้างวัดนี้แต่พระพุทธเจ้าได้สร้างพระอรหันตสาวกเป็นหมื่นเป็นแสนองค์อันนี้แหละคือสิ่งที่สําคัญในพระพุทธศาสนาคือพระอริยบุคคล พระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่ทานจะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะท่านได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนได้รับประโยชนจากการศึกษาและปฏิบัติทำให้ท่านได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วท่านก็จะสามารถสอนให้คนอื่นที่ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคล ได้เป็นพระ อ, อริยบุคคลตามมาตามลำดับนั่นเอง mm hmm. นี่แหละคือวิธีการสืบทอดศาสนา mm hmm. ต้องมาสืบทอดด้วยการสร้างพระ อ, อริยบุคคลถ้าเรามัวแต่มาสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างพระพุทธรูปสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้หรือถ้าบวชพระก็บวชพระที่เป็นพระที่เป็นพระปุถุชน พระที่บวชกันแค่เจ็ดวันบ้างสิบห้าวันบ้างเดือนหนึ่งบ้างอะไรทํานองนี้พระเหล่านี้ยังไม่ถือว่าเป็นพระอริยบุคคลยังไม่สามารถที่จะสืบทอดพระพุทธศาสนาได้ดัง<ม>ั้นเราอย่าไปหลงกับจํานวนบางครั้งมักจะมีการบวชหมู่เป็นจํานวนมากบวชพระทีงห้าร้อยรูปบ้างพันพันรูปบ้างอะไรนี้ ถ้าดูไปมองไปเลึกๆแล้วก็บวชไม่กี่วันบวชแค่สิบห้าวันแล้วก็เสร็จ ก, กันไปบวชแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าบวชแล้วมันต้องบวชแบบไม่เสร็จเหมือนกับในสมัยพระพุทธการในสมัย พ, พุทธการนี่ส่วนใหญ่ผู้บวชนี้จะไม่มีการเสร็จ ก, กันไม่มีการบวชชั่วคราวเหมือนที่เป็นอยู่ในยุคนี้สมัยนี้สมัย พ, พุทธการนี้เขาเอาจริงเอาจังเขาถึงได้เป็นพระะ จะได้เป็นพระอย่างแท้จริงได้เป็นพระอาริยบุคคลเพราะการการบวชอย่างแท้จริงนั่นเองไม่ใช่บวชกันแบบเล่นๆบวชกันแบบเป็นคิฏีเป็นการสแสดงความกตันยูหรือตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ถ้าอยากจะตอบแทนบุญคุณกับพ่อแม่นี้ต้องบวชแบบไม่ศึกเพราะว่าถ้าบวชแบบไม่ศึกแล้ว ไ, ได้ตั้งใจศึกษาได้ปฏิบัติ ก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้และเมื่อเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็จะสามารถสั่งสอนพ่อแม่ถ้าพ่อแม่สนใจพ่อแม่ก็จะได้ศึกษาจากลูกและได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็หลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้ก็ไปแสดงธรรมโปรดญาติพี่น้องจนกระทั่งบุคคลเหล่านั้น ได้บรรลุเป็นพระ อ, อริยบุคคลกันขึ้นมาเป็นจำนวนมากแม้แต่พระมารดาของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงเสด็จสวรรคตเจ็ดวันหลังจากที่ได้ทอดเจ้าชายสิทธัทธาวมาพอพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ทรงเรีงยาณค้นหาดูดวงวิญญาณของพระพุทธมารดาว่าอยู่ที่ใด จนในที่สุดได้ค้นพบว่าอยู่ในสวรรค์ก็สามารถติดต่อกับพุทธมารดาได้และสามารถแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาจนบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้นี่แหละคือวิธีการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างแท้จริงต้องตอบแทนด้วยการบวชอย่างแท้จริงบวชแบบจริงจังไม่ใช่บวชแบบชั่วครั้งชั่วคราวบวชแล้วก็เสร็จ ธรรมะแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่สามารถนำเอาไปสอนให้พ่อแม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้ mm hmm. เพราะว่าแม้แต่ตัวเองก็ยังบรรลุไม่ได้ mm hmm. ถ้าตัวเองบรรลุไม่ได้จะไปสอนให้คนบรรลุบรรณอื mm ่นคนอื่นเขาบรรลุได้อย่างไร mm hmm. นี่แหละสิงตัวเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหัวใจของพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับการอยู่รอดอยู่อยู่ต่อไปของพระพุทธศาสนานี้พระพุทธศาสนานจะอยู่ต่อไปได้นี้ต้องต้องอยู่แบบที่พระเจ้าได้ทรงได้ทรงกระทำให้อยู่ก็คือทรงผลิตอริภะอริยบุคคลอย่างอย่างต่อเนื่องทรงให้ความสําคัญต่อการแสดงธรรมต่อการเผยแผ่ธรรมะวันหนึ่งพระองค์จะทรงสแสดงธรรมถึสงสาสามรอบด้วยกัน รอบบ่ายก็ทรงแสดงธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมรอบค่าก็ทรงแสดงธรรมให้กับพระภิกษุภิกษุณีรอบดึกก็ทรงแสดงธรรมให้กับเทวดาและยังมีรอบพิเศษอีกรอบหนึ่งก็คือในวันรุ่งขึ้นตอนที่จะเสด็จออกบิณนบาศก็จะทรงเลงยานดูว่าวันนี้มีใครบ้างที่พร้อมที่จะได้รับธรรมอันประเสริฐจากพระพุทธเจ้า องค์ก็จะส่งมุ่งไปปลดบุคคลนั้น mm. เพราะว่าเห็นว่าใจเขาสุขงองแล้วใจเขาพร้อมที่จะบรรลุธรรมแล้ว mm. เพียงแต่อาศัยการกระตุน้นการผลักดันของพระพุทธเจ้าให้เขาไปในทิศทางที่ถูกต้องเท่านั้นเอง mm. ก็จะสามารถทําให้ใจเขาได้บรรลุธรรมขึ้นมาได้อย่างรวดเร็ว mm. นี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงส่งดำเนินมาทรงให้ความสําคัญ คือการ ผ, ผ, ล, ผลิตผลิตพระอริยบุคคลให้มีมากๆในพระพุทธศาสนาเพราะยิ่งมีมากเท่าไหร่ยิ่งสามารถทำประโยชน์ให้แก่ผู้ได้มากขึ้นตามลำดับนั้นเองมีพระอริยมากก็สามารถไปสอนบุคคลต่างๆได้มากขึ้นมีคนหนึ่งก็สอนได้แค่หนึ่งคนมีสิบคนก็สอนได้สิบเท่ามีร้อยคนก็สอนได้ร้อยเท่า พระพุทธเจ้าจึงพยายามผลิตพระอริยสงสาวกเพียงในระยะหเดือนแรกเอ่อเจดเดือนแรกของการเผยแผ่ธรรมะนี้พระพุทธเจ้าก็ผลิตพระอรหันตสาวกขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่งันรูปที่ใฝเฝ้าพระพุทธเจ้าในวันมาคบบูชา <Yeah. S 1> นี่แหละเพียงเจ็ดเดือนเท่านั้นเองการแสดงธรรมครั้งแรก ทรงแสดงไว้ในวันเพ็ญเดือนแดที่เราเรียกว่าวันอาสาหาบูชาวันที่แสดงธรรมจักกับประวัตินสตรแล้วมีพระอัญญาณโกนธัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระอริยสงฆ์สาวกองคแรกของพระพุทธเจ้าของมัสพุทธศาสนาหลังจากนั้นก็ทรงแสดงธรรมทุกวันไปโปรดผู้ที่พร้อมที่จะบรรลุธรรมเบื้องต้นก็มุ่งไปโปรดพวกที่เป็นนักบวช ผู้ที่มีศีลมีสมาธิที่สมบูรณ์แล้วเพียงแต่ขาดปัญญาพอไปสอนธรรมในระดับปัญญาเขาก็สามารถบรรลุธรรมได้ทันทีหลังจากที่ได้ฟังเทศฟังธรรมเลยจึยงทำให้มีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจำนวนมากในระยะเวลาเพียงเจ็ดเดือนแรกของการเผยแผ่ธรรมะคือตั้งแต่เดือนแปด มาถึงเดือนสามในปีต่อมาแปดบวกสี่ก็เป็นสิบสองแล้วจากสิบสองก็มาอีกสามบวกสามกับบวกสี่ก็เป็นเจ็ดเจ็ดเดือนด้วยกันก็มาถึงวันเพ็ญเดือนสามวันมาฆาบูชาก็ปรากฏมีพราอาหาัรตัดสาวกอย่างน้อยหนึ่งพันสองร้อห้าสิบรูปด้วยกันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าจากสารทิตต่างๆโดยไม่ได้นัดหมายกัน เพียงแต่มาเพราะมีความคิดถึงมีความน้อนึกถึงมีความปรารถนาที่อยากจะมากราบไหว้มาแสดงความกตัญญูกตวเวทีต่อพระพุทธเจ้าที่ได้ทําให้เขานี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้พบกับความสุขที่ถาวรที่เขาไม่เคยมีที่ไม่มีเคยมีไม่มีใครมีไม่มีใครเคยมีในในในประวัติของโลก มีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนี้เท่านั้นที่สามารถทำได้จึงมาเฝ้าพุทธเจ้าด้วยความเคารพด้วยความกตัญญูกตวเวที <c oughs> เราถึงรู้กันว่า <c oughs> มีพระอนันตปรากฏขึ้นมาอย่างน้อยก็หนึ่งันสองรห้าสิบรูปหลังจากเพียงทรงเผยแผ่ธรรมเพียงระยะเจเดือนได้กันเท่านั้นเอง <c oughs> นี่มันเป็นการแสดงให้เรารู้ถึง ถึงภารกิจที่พระเจ้าทรงตั้งปณิธานหรือตั้งเป้าไว้เป้าหมายของพระทเจ้านี้คือการผลิตพระอริยสงสาวกพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ในการสร้างวัดสร้างอะไรต่างๆเลยและไม่เคยสร้างเลยแม้แต่วัดเดียว เ, เจดีย์ก็ไม่เคยสร้างไม่เคยสร้างอะไรสร้างแต่พระอริยสงสาวกสร้างพระโสดาบันสร้างพระสกิดาคามี สร้างพระอน า, าคามีสร้างพระอร า, าหามตลอดระยะเวลา45พันศาด้วยกันคิดดูก็แล้วกันว่าจำนวนของพระอริยบุคคลที่ได้ได้บรรลุธรรมจากพระพุทธเจา้านี้จะมีจำนวนเท่าไหร่เพียงระยะเจเดือนแรกก็มีตั้งพันกว่าเป็นไปแล้วได้อีกต้อง45ปีด้วยกันลองเอาพันคณด้วย45ดู ก็จะได้อย่างน้อยก็สี่หมื่นห้าขึ้นไปแล้คือพระอริยสงสาวกจึงทําให้พระพุทธศาสนาของเรานี้สามารถเจริญเติบโตและอยู่มาได้จนทุกวันนี้อยู่มาได้เพราะมีพระอริยสงสาวกปและมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นหลักไช่ไว้เป็นเป็นที่ เป็นที่เปรียบเทียบว่าคำสอนของพระ อ, อริยสงสาวกแต่แล้วรูปนี้สอนผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่เรามีที่ศึกษาอยู่สองสองที่ด้วยกันในยุคปัจจุบันเพราะว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้อยู่กับเราแล้วพระพุทธเจ้าได้จากพวกเราไปตั้งแต่หลังจากที่พระ อ, องค์ได้มีพระชนมายุแปดสิบพรรษาหลังขานร่างกายของท่านก็เป็นสังขานของ ของเหมือนกับของคนทั่วไปที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปแต่ธรรมะที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45สบห้าปีนี้ยังได้มีการจดจำและมีการเก็บรักษาไว้ในพระไตรปิฎกมีอยู่ถึง 84,000 สี่พันธรรมบุด้วยกันมีธรรมะต่างๆเยอะแยะมากมายที่เราสามารถจะได้ศึกษาได้แต่ธรรมะเหล่านี้ถึงแม้จะมีมากมาย ก็ต่างแต่เป้าหมายของธรรมะเหล่านี้ก็มีอยู่เพื่อให้ให้เกิดมีพระอริยะบุคคลขึ้นมานี้เท่านั้นเองธรรมะทุกบททุกบาทนี้สอนเป้ามุ่งเป้าไปที่การบรรลุบรรลุบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุพระอริยบุคคลไม่ได้มีควา ม, มาไม่มีเป้าหมายอย่างอื่นเลยดัยงนั้นเราไม่ต้องกังวลว่า ธรรมะพุทธเจ้ามีถึงแปดหมื่นสี่พันธรรมบทเราจำเป็นจะต้องศึกษาทั้งบดตรลราธรรมะเหล่านี้หรือไม่อันนี้ไม่จำไม่จเป็นเลยจำให้เราศึกษาเพียงบทสองบทที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติก็พอที่เราสามารถนำเอาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็พอมีไม่ต้องมีไม่กี่บทด้วยกันที่จะที่เราควรจะศึกษา เช่นเราควรจะศึกษาพระมงคอลสูตรนีสาสิบดข้อสามสิบปดขั้นไปสู่พระนิพพานพระมงคลสูตรนี้ก็เป็นสอนตั้งแต่ขั้นขั้นปหนึ่งจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานสอนวิธีการดาเนินชีวิตของเราว่าเราควรจะดาเนินชีวิตของเราอย่างไรเช่นเริ่มต้นด้วยการให้เรารู้จักคบคน คบคนฉลาดคบคนที่รู้รู้เรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปคบคนที่ไม่รู้เรื่องมรรคผลนิพพานถ้าเขาไม่รู้เขาก็จะไม่สามารถพาเราไปมรรคผลนิพพานได้ให้คบกับคนที่รู้ก็คือคบกับพระอริยบุคลคลคบกับพระรัตนาไรรคบกับพระที่เป็นพระสุปฏิปนันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้วเมื่อเราได้ครบกับท่านเราก็จะได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนแล้วเมื่อเรานํามานำอามาปฏิบัติเราก็จะสามารถเจริญก้าวหน้าไปสู่มรรคผลนิพพานได้มีสมส38ขั้นด้วยกันเรียกมงคลละสูตรที่ถ้าเราเป็นชาวพุทธที่แท้จริงเราต้องรู้จักกันเราต้องรู้ทั้งส8ข้อและดำเนินชีวิตของเราให้อยู่ในกรอบของธรรมะทั้งามข้อนี้ให้ได้ แล้วถ้าเราทำได้ไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวชนี้ไม่ไม่ไม่สำคัญสามารถปฏิบัติตามสาสข้อนี้ได้ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลมิ่านได้บรรลุเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆได้นี่คือประสุตร์อันอันหนึ่งที่เราควรที่จะศึกษากัน สำหรับบุคคลทั่วไปมงคล3าแไม่ว่าจะเป็นฆราวาสผู้ครองเรือหรือเป็นนักบวชส่วนพระธรรมจักรกับปวัตนสูตรนี้เป็นพระธรรมที่ทรงสอนให้กับนักบวชคือพระปัญจวคีสอนมรรคมรรคก็คือบันไดสู่มรรคผลนิพพานที่ย่อลงมาจากส8ท่ออีกทีนึงที่เอาแต่หัวใจเนื้อเนื้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติล้วน มาสอนให้กับพระปัญจวคีอันนี้ก็สรุปให้รู้ว่าถ้าอยากจะไปมรรลุมรรคผลนิพพานนี้ต้องเดินในทางของมรรคแปดซึ่งก็เป็นเอามาจากมงคลละมงค ล, ลสูตรมงคลสามสิบแปดนี้ก็มีมรรคแปดอยู่แต่เพียงแต่ว่าไม่มรรคแปดนี้สรุปเข้ามาเพราะว่าเมื่อเป็นนักบวชแล้ว เรื่องอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องของการลวาดก็ไม่ไมจาเป็นที่จะต้องปฏิบัตินี่ก็คือพระสูตรที่เราควรจะศึกษากันสองอันมงคลลสูตรธรรมจักกับปวัตนสูตรแล้วถ้าเราอยากจะศึกษาวิธีปฏิบัติที่เรียกว่าภาวนาคือสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาเราก็ต้องศึกษาพระสูตรเช่นสติปัฏฐานสูตร สติปัฏฐานสูตรนี้ก็จะสอนวิธีเจริญสติเพื่อให้เราได้นั่งสมาธิเมื่อใจเรามีสมาธิเราก็จะได้สมถะภาวนาแล้เมื่อเราได้สมถะภาวนาเราก็ไปเจริญขั้นวิปัสสนาพิจารณาเรื่องอาการ32มองของร่างกายพิจารณาร่างกายว่าเป็นอริจังทุกขังอนัตตาร่างกาย มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการแก่มีการเจ็บมีการตายร่างกายไม่สวยไม่งามมีอาการสามสิบสองเมื่อเมื่อตายไปก็จะเป็นซากศพสิบชนิดด้วยกันพิจารณาเรื่องของร่างกายแล้วก็พิจารณาเรื่องของเวทนาว่าเวทนาคือความรู้สึกของร่างกายก็มีสามชนิดด้วยกันมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์ที่มันสลับกันปรากฏขึ้นมาที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้ ที่จะให้มันมีแต่สุขเวทนาเพียงอย่างเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้เวลามีทุกขเวทนาก็ต้องยอมรับและหัดอยู่กับมันไปให้ได้ถ้าอ ย, อยู่กับทุกขเวทนาได้ใจก็จะไม่ทุกเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายมีอาการเจ็บตามตาม่างกายต่างๆถ้าถ้ารู้จักปล่อยวางทุกขเวทนารู้จักหัดอยู่กับทุกขเวทนาได้ ใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะอยู่กับความทุกข์ของร่างกายได้อย่างสบายอันนี้เป็นขั้นของการภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี่นี่คือพระสูตรที่ที่เราควรจะศึกษาที่เราจะเรียนรู้ถ้าเราอยากที่จะบรรลุมรมรคผลนิพพานกันบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆเพื่อที่เราจะได้มาสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป หลังจากที่เราได้เรียนรู้จากพระไตรปิฎกแล้วคือพระสูตรเหล่านี้แล้วถ้าเรานำมาไปปฏิบัติแล้วเราไม่เข้าใจบทใดบทหนึ่งขั้นใดขั้นหนึ่งเราก็ควรจะไปแสวงหาพระปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบไปแสวงหาพระอริยบุคคลให้ท่านมาช่วยสอนช่วยอธิบายขยายความให้เราเกิดความเข้าใจเพื่อให้เราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป อันนี้ก็เป็นขั้นต่อไปขั้นแรกเราก็ศึกษาจากพระสูตรของพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องอย่างไรแต่เราถ้าเราศึกษาแล้วเรายัางไม่เข้าใจเราก็ต้องไปหาพระอริยบุคคลพระที่ท่านได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปไปศึกษาจากท่านเหล่านี้ถ้าเราไปศึกษา เราเบื้องต้นเราก็อาจจะไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอริยะบุคคลหรือไม่เราก็อาศัยการเปรียบเทียบคําสอนของท่านกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรก็ดีหรือแสดงไว้ในธรรมจักกปะปวัฒนสูตรก็ดีหรือแสดงไว้ในพระสติปัฏฐานสูตรก็ดีเราก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้านี้มาเปรียบเทียบกับคําสอนของพระที่เราไปศึกษาด้วย พราะเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลหรือไม่เราจะรู้รู้ได้ก็อยู่ที่เรามีธรรมะของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบถ้าคำสอนของท่านนี้ไม่ขัดกับคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เชื่อได้ว่าท่านเป็นผู้ที่ปฏิบททัติที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแต่ถ้าคำสอนของท่านนี้ขัดกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงสอน เราก็จะได้ระมัดระวังและอาจจะอาจจะได้รู้ว่าท่านอาจจะไม่ได้เป็นผู้ที่รู้จริงเห็นจริงก็ได้ถ้ารู้จริงเห็นจริงแล้วต้องรู้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นต้นนี่คือหลักการของการสร้างพระอริยะบุคคลนละผู้ที่จะสร้างก็คือเราและผู้ที่จะเป็นพระอริยบุคคลก็คือเรา เพราะว่าไม่มีใครสามารถสร้างพระอริยบุคคลให้แก่ใครได้ทุกพระอริยบุคคลทุกพระ อ, องค์นี้ต้องสร้างขึ้นต้องสร้างด้วยตัวของท่านเองพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างตัวของท่านให้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระอริยสงสาวกุกแต่ละลูกก็ต้องสร้างพระอริยสงสาวกขึ้นมาในตัวของท่านเองไม่มีใครสามารถสร้างแทนใครได้เพียนงะแต่ว่าสามารถช่วยสอนช่วยบอกวิธีการ ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้นี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมาคำนึงกันถ้าเราอยากจะให้สิ่งมาสรจรจันของโลกที่แท้จริงคือพระพุทธศาสนาอยู่คู่กับโลกนี้ไปนานๆเพื่อที่จะได้ช่วยช่วยสัตว์โลกที่ยังติดอยู่ในกองทุกข์ให้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์ ให้ได้ไปถึงความสุขของพระนิพพานที่เป็นความสุขที่ถาวรด้วยการศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปปฏิบัติแล้วถ้ามีข้อสงสัยไม่เข้าใจก็ไปแสวงหาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระสุ ป, ปฏิปันโนให้ช่วยตอบคำถามหรือให้ช่วยสอนวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไปถ้าเราได้มีผู้สอนที่ที่รู้ทางแล้วมาสอนเรา โอกาสที่จะหลงทางนี้ก็จะน้อยหรือไม่มีเลยมีโอกาสมีเพียงอย่างเดียวาเกิดจะต้องได้บรรลุมรรคผลนิพพานอย่างแน่ น, นอนเมื่อเราบรรลุแล้วเราก็จะได้สามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารกองค์อื่นต่อไปได้เพราะว่าพระแต่ละรูปท่านก็ต้องมีอายุไขัทุกคนทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แต่ถ้าตราบใดยังมีผู้อนุชนที่มาเกิดในยุคหลังและมาให้ความสนใจในพระพุทธศาสนามาศึกษาและมาปฏิบัติเราก็จะมีพระอริยสงสาวกปรากฏขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกอยู่ไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะหมดอายุข ข, ของพระพุทธศาสนานี่ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผ่อนอยะถ า, าวาริกวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินงังเปตานาังอุปปกักปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพโรโขวินัสตุมาเตภวตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสะนิจจังวุธาปจายโน จตารุตมมวัตนเตอายุวันสุขังปลัช่วงต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เลิกแล้วจะไม่สะดวกคุยกันถ้ามีอะไรอยากจะถามเดี๋ยว ถึงเวลาจะให้ถามตอนนี้อยากจะทราบว่ามีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 4 6 1ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์2 8 9ท่าน YouTube ดรว67ท่านวิทยุออนไลน์8ท่าน c ลับ h ฮ u s e 7ท่นนานนาคุติ135ท่านรวมทั้งหมด9 6 7ท่านครับพระอาจารย์ กลับเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้ในเซสชันของที่พระอาจารย์ได้แสดงธรรมเรื่องการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยที่ส่งเสริมกับภริยาบุคคลหรือภรรยาสง์เออถ้าภริยาบุคคลเราจะทราบได้อย่างไงคะว่าถ้าท่านนั้นมีปัญญาทิียพอที่สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้ตรงกับพระคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ในทางปฏิบัติเราจะทราบได้อย่างไงค่ะว่าท่านนั้นเป็นภรยาบุคคลหรือภริยาสงฆ์ที่แท้จริง ถ้าท่านสอนเราได้ถ้าท่านสอนเราไม่ได้ก็เสียว่าท่านยังเป็นครูเราไม่ได้เห็นถ้าเราเราอยากจะรู้วิธีปฏิบัติสมาธิทำอย่างไรเราไปศึกษากับท่านแล้วถ้าท่านสอนเราแล้วเราเอาวิธีที่ท่านสอนมาปฏิบัติแล้วมันไม่ได้ผลก็แสดงว่าท่านก็สอนเราไม่ได้สอนวิธีไม่ถูกก็ต้องเราเปลี่ยนอาจารย์ไปเรื่อยๆเพราเราไม่รู้ว่าองค์ไหนเป็นพระสุ ป, ปฏิปันโน่งไหนไม่ใช่ เพราะมีพระเยอะสมัยนี้ที่มาบวชเป็นพระกันแล้วก็ไม่เล็กขึ้นอยู่กับอายุพรรษาด้วยซ้าไปเพราะว่าความรู้ความสามารถนึงมันมันอยู่ที่ใจที่ไม่มีอายุเราก็ต้องลองผิดลองถูกไปแต่เบื่องต้องให้ศึกษาพราะธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นมาตรฐานก่อนเช่นมรรคแปดเนเช่นมงคลมงคลสามสิบแปดสติปทานสูนย อันนีเน้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็แล้วก็เองเอามาเปรียบเทียบเวลาเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ต่างๆว่าท่านสอนในแนวเดียวกันหรือเปล่าแต่บางทีก็อาจจะไม่ใช่เป็นที่ท่านก็ได้อาจจะเป็นที่เราก็ได้มนก็นแต่ก็ทุกคนก็ต้องไปสาังหาอาจารย์กันเท่าที่ได้ยินได้ฟังคนที่ปฏิบัติมา ก็ต้องไปลองอาจารย์รูปนั้นอาจารย์รูปนี้จงการจะไปเจออาจารย์ที่ที่ถูกจริตก็แล้วกัน<ม>ถ้าสิ่งที่ท่านสอนเราเข้าใจง่ายและสามารถนำมอาอไปปฏิบัติให้เกิดผลได้<ม>นี้เราก็จะติดใจพระ อ, อาจารย์รูปนั้น ม, มีคำถามฝากถามค่ะเคยภาวนาดูจิต แบบที่พระอาจารย์ท่านหนึ่งสอนแต่ไม่ไหวครับฟุ้งมากตอนนี้เหมือนกลับมาเริ่มหัดใหม่กับเรียนถามพระอาจารย์ว่าตอนแรกดูลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวให้สงบไปก่อนพอใช่ไหมครับต้องภาวนาหรือพิจารณาอะไรเพิ่มไหมครับยังหรอกเบื้องต้นพยายามทำใจให้สงบให้สงบให้นิ่งให้ได้นานๆาาก่อนแล้วเรื่องปัญญาค่อยตามมา อ, อีกขั้นหนึ่ง เป็นเหมือนคนลาวิชาคนละหลักสูตรกันเบื้องต้นฝึกสมาธิทำใจให้สงบทำให้ชํานาญสามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วและอยู่ในสมาธิได้นานเอาจากสมาธิมาก็สามารถประคับประคองความสงบให้ใจเย็นให้ใจสบายหลังจากนั้นถึงค่อยมาศึกษาทางปัญญาศึกษาเรื่องของความไม่เที่ยงของร่างกาย มีทางนากติถามว่าเมื่อสักครู่ไม่ทราบว่าชาวต่างชาติถามเรื่องอะไรหรอครับพระอาจารย์ <c oughs> จำไม่ได้แล้วครับขออภัยด้วยก็เดี๋ยวลองไปกลับย้อนไปฟังดูกดแล้วก็ไปให้ Google เขาแปลให้ก็แล้วกันคำถามจากทาง YouTube ค่ะถ้าฝึกนั่งสมาธิให้เจอทุกขเวทนาบ่อยๆ จะช่วยให้ผ่านด่านเวทนายากยากขึ้นไปได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับหลายทางบางทีค่ะถ้าฝึกนั่งสมาธิให้เจอทุกเวทนาบ่อยๆจะช่วยให้ผ่านด่านเวทนายากยากขึ้นไปได้ใช่ไหมครับก็ต้องก็ต้องเจอมันก่อนเราจะผ่านได้อืมันก็เหมือนเราไปสอบนะถ้านา น, นานสอบทีมันก็กว่าจะผ่านมันก็อาจจะต้องใช้เวลานา น, านแต่ถ้าเราไปสอบบ่อยๆมันก็อาจจะ มันก็จะมีโอกาสที่จะผ่านได้เร็วขึ้นงนั้นก็ต้องพยายามผ่านเวทนาให้ได้ก็ต้องนั่งเจอทุกบ่อยๆแล้วใช้สติหรือใช้ปัญญาสู้กับมันไปจนกว่าใจเราจะสงบแล้วก็อยู่กับทุกขเวทนาได้ถ้าเรากลัวทุกขเวทนาพอเจอปั๊บก็ถอยก็เหมือนไม่ยอมเข้าห้องสอบเลยพอถึงเวลาจะเข้าห้องสอบก็ถอยอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะสอบได้หรือสอบไม่ได้นะ เวาต้องต้องยินดีที่จะเข้าห้องสอบบ่อยๆต้องยินดีที่จะเจอกับทุกขเวทนาบ่อยๆแล้วก็พยายามใช้สติใช้ปรรัญญาสอนใจให้ปล่อยวางให้อยู่กับทุกขเวทนาให้ได้คำถามต่อไปค่ะผมท่องพุทโธในช่วงเวลาระหว่างวันและนั่งสมาธิก่อนนอน ผมได้พบว่ามีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นแต่ความพึงพอใจในอาหารและการดูหนังดูละครลดลงนี่เป็นผลมาจากการท่องพุดโธใช่ไหมครับใช่ถ้าใจเราเริ่มสงบแล้วใจมันจะมีความหิวน้อยลงหิวทางรูปเสียงกลิ่นลดน้อยลงเพราะใจมีความอิ่มความพอที่เกิดจากสติจากสมาธิยิ่งทำมากเท่าไหร่ต่อไปความอยากเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นก็จะน้อยลงไปเรื่อย แต่มไม่หมดจะให้มันหมดนี่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นกองทุกข์ไม่ใช่เป็นกองสุขจากคุณอัชาราค่ะข อ, อกาสสอบถามพระอาจารย์ว่าหากนั่งสมาธิจนรู้สึกว่าร่างกายหายไปลมหายใจหายไปควรทำอย่างไรต่อไปดีเจ้าคะก็ถ้าตัวรู้อยู่ก็ให้รู้เฉยๆไปถ้าตัวรู้หายไปด้วยก็แสดงว่าหลับต้องเหลือแต่ตัวรู้รู้แต่ผู้รู้ รู้ว่าทุกอย่างหายไปหมดเหลือแต่ความว่างก็พยายามประครับประครองให้ใจอยู่ในความว่างไปนานๆให้ผู้รู้อยู่ในความว่างไปนานๆให้รู้เฉยๆอย่าคิดปรุงแต่งต้องพยายามคอยหยุดความคิดปรุงแต่งจากคุณวาสนาค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิในที่ที่น่ากลัวเวลามีเสียงใบไม้ดังเสียงกิ่งไม้หล่นเกิดความกลัวจิตวิ่งเข้ า, ขามาหาตัว เกิดขนลุกซ่ารีบบริกรรมพุทโธพุทโธถีบใจนึกขึ้นมาว่าจิตช่างเหมือนหัวเต่าพอกลัวรีบหดหัวเข้ากระดองแต่ไม่มีการรวมของจิตหรือตกหลุมตกบอ่อแบบนี้แบบนี้ก้าวหน้าไหมครับขอคําชี้แนะด้วยครับถ้าใจสงบหายกลัวก็ก้าวหน้ามันไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่มันไม่จำเป็นจะต้องตกหลุมตกบ่อทุกครั้งไปเต่หมายขอให้ใจเรานิ่งสงบแล้วความทุกข์หรือความกลัวต่างๆหายไปก็ใช่ได้ครับ คุณนรงชัยค่ะเตรียนถามพระอาจารย์ว่าการฝึกตายก่อนตายใช้วิธีการใดที่เหมาะสมในการภาวนาครับก็หัดอยู่แบบคนตายดูยเลยคนตายบ่นไหมคนตายอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไหมคนตายอยากจะไปช้อปปิ้งไหมคนตายอยากจะดูยู u ูบไหมก็อยู่แบบคนตายคือไม่ตัดความอยากให้หมดไป จากยู u ูบค่ะขอถามเรื่องการระวางอัตตากับการวางอุเบกขาคือแบบเดียวกันไหมครับคือมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันแต่ไม่ใช่อันเดียวกันคาว่าอุเบกขาก็คือใจที่ว่างจากความรักชังกลัวหลงที่เกิดจากการนั่งสมาธิเวลาเรานั่งสมาธิพอใจสงบความรักชังกลัวหลงที่เคยมีอารมณ์อยู่ในใจเรามันจะหายไปนะใจเราก็จะไม่ ออกจากสมาธิมาใหม่ๆก็จะเฉยๆเห็นอะไรก็ไม่ยินดียินร้ายไม่กลัวอะไรส่วนเรื่องละอัตตาตัวตนก็คือมันเป็นเรื่องของความหลงอัตตานี้มันไม่มีเราปรุงแต่งขึ้นมาเองสมมุติขึ้นมาเองว่าเราคือผู้คิดนี้คือเรา<ม>ผู้คิดคิดว่าเรามันก็เลยหลงเชื่อความคิดไปเหมือนคนโบราณที่ไปคิดว่าโลกนี้แบนน โรคนี้แบนนะมันก็เชื่อว่าโลคนี้แบนเชื่อความคิดอัตตาคือตัวเรานี้ก็มาจากความคิดนั่นเองเวลาเรานั่งสมาธิใจหยุดคิดตัวอัตตาก็หายไปเราก็จะรู้ว่าตัวอัตตาไม่มีมันเป็นตัวที่เราสมมติกันขึ้นมาตัวที่ทำตัวที่คิดนี้ก็ไม่ใช่ตัวอัตตาตัวที่คิดก็เป็นตัวคิดตัวที่รู้ก็เป็นตัวรู้เรามีหน้าที่ของเขาเขามีหน้าที่รู้มีหน้าที่คิดก็ปล่อยเขารู้ไปคิดไป แต่ให้เขาคิดไปตามความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือไม่มีตัวตนในทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนนาฬิกานี้ก็ไม่มีตัวตนแต่เราอาจจะไปคิดว่า น, นาฬิกามีตัวมันถึงวิ่งได้มันถึงบอกเวลาเราได้อันนี้ก็เป็นเพียงความคิดของเราแต่ความเป็นจริงมันไม่มีตัวตนมันเป็นเรื่องของการทํางานของเหตุปัจจัยต่างๆต้องสอนใจให้รู้อย่างนี้ไม่มีจะถามไม่มีแล้วเหรอหมดแนละ้วมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหม